สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านนะคะก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณสําหรับยอดซับสไครต์ค่ะที่เพิ่มขึ้นทุกวันแล้วก็ยอดคอมเมนต์หรือว่าจะเป็นการถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์ออกไปนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านที่ติดตามช่องพระเจอผีบน YouTube แล้วก็บนแฟนเพจ a c e b o o k นะคะทุกๆ ท, ท่านด้วยค่ะขอบพระคุณจากใจด้วยนะคะบีเองก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยรับฟังเพื่อความบันเทิงค่ะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับ ฟังในแต่ละเรื่องที่บีเล่าให้ฟังกันด้วยนะคะมีเรื่องเล่าจากคุณเจนนี่ค่ะส่งมาคุณเจนนี่บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ8ปีที่แล้วสมัยนั้นเรียนอยู่ที่มสปกติเนี่ยก็บอกว่าเป็นคนมีเซนส์นอยู่บ้างนะแต่ว่าแค่ได้ยินเสียงวิทยุเปิดเองบ้างหรือว่าเห็นเป็นเงาลางๆบ้างอะไรแบบนั้นยังไม่เคยเจอแบบจังๆเลยสักครั้งเรื่องมีอยู่นะคะว่าทุกๆปิดเทอมคุณเจนนี่กับน้องจะไปนอนที่บ้าน อาแถวอ่อนนุชเป็นบ้านของอาค่ะเวลาไปเล่นก็จะเล่นสนกันเหมือนเด็กทั่วไปที่บ้านอาจจะมีพี่เลี้ยงสองคนคอยดูแลพวกเราเวลาอาไปทำงานกิจกรรมของแต่ละคนก็คือดูหนังผีเล่าเรื่องผีแกล้งผีหลอกบ้างแต่ก็ไม่เคยเจออะไรแปลกๆเวลานอนก็จะสวดมนต์ก่อนนอนกันตามปกติค่ะจนมีอยู่วันหนึ่งทุกคนเนี่ยเล่นกันเหนื่อย ก็อาบน้ําเป็นคนสุดท้ายคือคุณเจนนี่อาบเป็นคนสุดท้ายเลยพอเข้าห้องนอนทุกคนก็นอนหลับกันหมดค่ะก็เลยรีบปิดไฟเข้าห้องนอนด้วยความเหนื่อยหลับไปสักพักนึงก็เริ่มหายใจไม่ออกพอลืมตาขึ้นมาดูก็ต้องตกใจเพราะว่าเห็นเป็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งทับอยู่บนตัวมีสายสังวานสองเส้นผมเกล้าจุกก็รู้สึกได้ว่าเขาจ้องหน้าเราอยู่ทั้งทางที่เราก็มองไม่เห็นหน้าเขานะเพราะว่ามันมืดมากมีแค่แสงไฟจากถนนส่องเข้ามาทางหน้าต่างเท่านั้น แล้วเด็กคนนั้นค่ะนั่งจากธรรมดาก็เอามือมาบีบต้นแขนของคุณเจนี่เนี่ยทั้งสองข้างบีบจนเจ็บก่อนจะพูดว่าทําไมไม่ขอมานอนทําไมไม่ขอคือพูดซ้ําๆอยู่แบบนี้คุณเจนี่ก็ตกใจปนกับความอึง้งคือไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วก็ทําไม่เข้าใจด้วยว่ามันคืออะไรก็เลยไม่ได้ตอบอะไรออกไปนึงสักพักหนึ่งเขาก็หายไปเองแล้วก็เพลียนะคะจนหลับไป พอตื่นตอนเช้ามาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าเมื่อคืนเนี่ยคงฝันร้ายแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่ทำให้ตกใจมากก็คือเห็นว่าต้นแขนเนี่ยเป็นรอยช้ำสองข้างเห็นเป็นรอยนิ้วมือคือชัดเจนเลยนะคะไปเล่าให้ที่บ้านฟังก็ไม่มีใครเชื่อหาว่าเราเนี่ยดูหนังผีมากไปแล้วก็เลยเก็บไปฝันและแล้วก็ละเมอบีบแขนตัวเองหรือเปล่า คุณแจนี่ก็ยังคงยืนยันค่ะว่าเนี่ยเป็นเรื่องจริงแต่ก็ไม่มีใครเชื่ออยู่ดีสุดท้ายก็เลยไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อีกค่ะเวลาผ่านมาหลายปีจนเกือบจะลืมเรื่องนั้นไปแล้วแต่ว่าเมื่อสามปีที่แล้วพี่ดาวค่ะพี่เลี้ยงคนหนึ่งคนคนหนึ่ ง, น ง, นงในสองคนที่บ้านอาก็มาเล่าให้ฟังบอกเขาเพิ่งรู้มาว่าพี่จันชื่อสมมุตินะพี่เลี้ยงอีกคนหนึ่งของเขาเนี่ยเคยท้องแล้วก็เอาเด็กออกแต่เก็บซากเด็กเอาไว้เป็นกุมารติดตัวตลอด เวลาจะทำอะไรเขาก็จะบอกจะขอให้ช่วยปกป้องอีกอย่างหนึ่งพี่จันเนี่ยเขาลาออกไปแล้วด้วยพอได้ยินแบบนั้นน่ะคุณเจนนี่ถึงกับบงังถึงบังอ้อเลยทีเดียวว่าเด็กที่เจอคืนนั้นเนี่ยคงจะเป็นกุมานก็คือเป็นลูกของพี่จันนั่นเอง แต่ว่าสิ่งที่เห็นเพราะว่ามีเซนหรือเปล่าหรือว่าเพราะวันนั้นเราเหนื่อยมากร่างกายแล้วก็จิตใจของเราจะอ่อนแอก็เลยเห็นนะคะจากนั้นมาเวลาไปนอนต่างที่ก็จะสวดมนต์ทุกครั้งแล้วก็จะไม่ลืมที่จะขออนุญาตนอนด้วยเพราะว่าคุณเจนนี่บอกเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าที่แห่งนั้นมีอะไรคอยปกป้องอยู่ไหมเราไม่อยากจะเจอแบบนั้นอีกแล้วนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณเจนนี่ค่ะที่ไปเจอกันกับประสบการณ์น่ากลัวน่ากลัวนะคะที่บ้านของคุณอามา อีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องของคุณเรคุณเรเล่านะคะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณป้าของเราเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนลุงกับป้าเนี่ยได้ข่าวว่าหลานชายเสียชีวิตที่จังหวัดสุราธานีพอดีช่วงนั้นลุงกับป้าติดธุระสำคัญกว่าจะเสร็จแล้วก็เดินทางไปร่วมงานก็เป็นวันเผาพอดีค่ะขับรถไปถึงวัดช่วงเย็นก็ไปทันพิธีศพ ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะจากนั้นญาติผู้ใหญ่ก็ชวนลุงกับป้านี่ให้เป็นนอนที่บ้านหลานชายที่เสียชีวิตจะได้อยู่พูดคุยกันสะดวกขึ้นช่วงค่ำวันนั้นก็เหมือนวันรวมญาตินะคะที่มาจากต่างจังหวัดซึ่งพักอยู่ที่บ้านนั้นอยู่ก่อนแล้วก็นั่งพูดคุยกันพอสมควรแก่เวลาค่ะทุกคนก็ต่างรีบขึ้นนอนที่ชั้นบนจนเต็มไม่มีใครนอนชั้นล่างเลย ลุงกับป้าก็เลยนอนที่ชั้นล่างกันสองคนมาทราบภายหลังนะคะว่าศพของหลานชายเนี่ยเป็นศพตายโหงซึ่งโบราณเขาถือว่าศพที่ตายผิดธรรมชาติหรือว่าตายโหงเนี่ยเขาจะไม่ให้เอามาไว้ในบ้านซึ่งก่อนพิธีเผาพ่อแม่ของหลานชายได้เอาศพเข้ามาไว้ในบ้านนี้ชาว บ, บ้านละแวกนั้นที่มาร่วมงานหากใครพูดถึงนินทาว่ากล่าวคนตายไฟจะดับโดยไม่มีสาเหตุคะ่ะเดี๋ยวลมพัดอ่าเดี๋ยวพัดลมพัดเองบ้างติดเองบ้างดับเองบ้าง จนชาวบ้านเนี่ยต่างก็หวาดกลัวแล้วก็รีบมางานก็รีบกลับกันทันทีค่ะลุงกับป้าตอนนั้นก็ยังไม่รู้เรื่องราวความเหี้ยนเพราะว่ามาเป็นคนสุดท้ายก็จัดแจงปูผ้าเข้านอนกันตามปกติคืนนั้นเวลาประมาณสักตีสามเห็นจะได้ป้าก็ได้ยินเสียงล้างจานเสียงทากับข้าวคือเสียงดังหนกหูมากค่ะจนนอนไม่หลับ ป้าก็เลยลุกขึ้นมานั่งมองไปทางครัวสายตาก็ไปเห็นผู้หญิงแก่กำลังนั่งตำครบตำน้ำพริกอยู่คนเดียวระยะห่างจากป้าแค่ราว2เมตรเท่านั้นป้าก็นั่งดูอยู่นานหลายนาทีค่ะตอนนั้นป้าก็ไม่ได้คิดเรื่องราวของผีสางคางแดงอะไรทั้งนั้นคิดว่าคงเป็นญาติห่างๆคนใดคนหนึ่งป้าก็เลยนอนต่อป้าตื่นมาอีกทีหนึ่งเพราะว่าอยากจะเข้าห้องน้า ก็เลยลุกขึ้นเดินตรงไปเข้าห้องน้ำทางไปห้องน้ำนี่ต้องผ่านห้องครัวก่อนซึ่งตอนนั้นหญิงแก่เนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะป้าก็เลยเดินเข้าครัวผ่านตู้เย็นสายตาเหลือบไปเห็นรูปภาพบนตู้เย็นเป็นรูปหน้าศพของหลานชายแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ป้าต้องหยุดชะงักยืนนิ่งดูรูปหน้าศพ บ, บนตู้เย็นนั้นเพราะว่าหลานชายในยรูปเนี่ยส่งยิ้มให้แล้วยิ้มกว้างขึ้นกว้างขึ้นค่ะยิ้มจนปากนี่ฉีกถึงใบหูเลย ป้าแะถึงกับตาค้างช็อกเลยค่อยๆสุดลงไปกองกับพื้นแล้วก็คลานกลับไปหาลุงแล้วก็นอนต่ อ, อยังไม่เล่าให้ลุงฟังในตอนนั้นนะจนความมากระจังในตอนเช้าป้าถามคุณยายยายท่านบอกว่าท่านคือทวดที่เสียไปแล้วแล้วยายท่านก็เอารูปถ่ายของทวดมาให้ดู บอเออใช่เลยคนนี้แหละป้าร้องเสียงดังพร้อมกับขนลุกเกลียวสรุปว่าป้าเนี่ยโดนหนักกว่าใครในงานศพครั้งนี้นะคะหลังจากเสร็จสิ้นงานศพแล้วนะคะป้าก็ไม่เคยกลับไปนอนค้างที่บ้านหลังนั้นอีกเลยเพราะว่าป้านี่โดนทั้งผีทวดหลอกโดนทั้งผีหลานชายหลอกด้วยนะคะขอบคุณเรื่องราวเหล่านี้จากคุณเรด้วยนะคะมีเรื่องสยองขวัญอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดน่านเมื่อเจเดือนที่ผ่านมา ตอนนั้นเป็นช่วงปีใหม่นะคะคุณตวงกับเพื่อนก็ได้นัดกันไปเที่ยวเพื่อนของคุณตวงชื่อคุณโอ๊ค่ะก่อนออกเดินทางเนี่ยคุณตวงก็ทำพิธีเรียกแม่ย่านางเพื่อให้เดินทางได้ปลอดภยัยตอนที่อยู่บนรถคุณโอ๊ก็พูดกับคุณตวงบอกตอนกำลังจะก้าวขึ้นรถเนี่ยได้ยินเสียงผู้หญิงพูดเบาๆบอกว่าเดินทางดีๆนะคุณตวงก็คิดในใจใว่าถ้าเพื่อนไม่หูฝาดก็คงจะเป็นแม่ย่านางที่พูด จากนั้นก็ออกเดินทางกันมาจนถึงจังหวัดนครสวรรค์เวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะคุณตวงรู้สึกว่าขับรถไม่ไหวละก็เลยจอดนอนข้างทางก่อนตื่นเช้ามาก็เดินทางเข้าจังหวัดพิษนุโลกเที่ยวเลาะไปเรื่อยๆจนถึงจังหวัดน่านค่ะ เมื่อถึงที่หมายแล้วทั้งสองคนก็ได้ขับรถวนหาโรงแรมแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่พักทุกที่เต็มหมดเลยเพราะว่าเป็นช่วงปลายปีพอดีจนคุณตวงเริ่มอารมณ์เสียละยกมือไหว้พนมและพูดบอกว่าสัมภเวสีผีอะไรก็ได้แถวนี้เนี่ยดนบรรดาไม้หาโรงแรมเจอสักทีเถอะถ้าหาได้นะวันที่หนึ่งจะเดินทางขึ้นดอยสุเทพถว า, ายเป็นบุญกุศลให้เลยคุณโอ๊ตได้ยินแบบนั้นก็นั่งหน้าเสียล่ะค่ะเพราะว่าเป็นคนเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้ว พอคุณตวงก็ขับรถวนหาต่อไปจําได้นะคะว่าซอยที่ขับวนมาเป็นรอบที่สี่แล้วแต่ว่ารอบนี้เนี่ยสายตานี่มันเป็นเหลือบเห็นป้ายโรงแรมใหญ่ๆที่รู้สึกไม่ขุนตาเอาซะเลยก็เลยได้ขับรถตรงเข้าไปแล้วก็เดินเข้าไปสอบถามปรากฏว่ามีห้องว่างเหลืออยู่จริงๆค่ะคุณตวงก็เลยตกลงว่าจะเช่าโรงแรมนอนคืนนี้แล้วก็ขึ้นไปนอนพักอยู่กับคุณโอ๊ตค่ะ ตอนเช้าหลังจากที่คุณตวงตื่นนอนก็เดินไปเปิดหน้าต่างปรากฏว่าเจอเข้ากับปล่องเมนจังเลยห่างกันแค่ประมาณ3ามช่วงแขนเท่านั้นเอง คุณตวงคิดในใจนี่ฮะว่าโอ้โชคดีเมื่อคืนไม่เจออะไรจากนั้นก็ออกเดินทางกันต่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดเชียงใหม่จนใกล้จะถึงคุณโอ๊ตก็ชวนไปเที่ยวดอยแม่สลองก่อนดอยแม่สลองก่อนนะคะก็เลยขับรถเนี่ยเลยขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายจนไปถึงทางขึ้นดอยแม่สลองนะคะเวลานั้นประมาณ4ี่โมงกว่าก็เลยขับรถขึ้นไปเรื่อยๆคราวนี้คุณโอ๊ตเป็นคนขับ รถที่ขับนี้จะเป็นรถค่อนข้างเก่าอัตราเร่งก็เลยไม่ดีพอทำให้รถขึ้นเขาได้ลาบากนะคะรถคันหลังก็พยายามบีบแตรเร่งคุณโอ๊ตรู้สึกหงุดหงิดก็เลยพูดบอกรีบไปตายที่ไหนกันเนี่ยอยากตายก็ไปกันก่อนเลยไปคุณโอ๊ตขับขึ้นไปเรื่อยๆค่ะด้านหน้าก็จะมีโค้งเป็นหน้าผาคุณโอ๊ตก็เห็นผู้หญิงคนนึงยืนอยู่ตรงทางโค้งแล้วกวากมือเรียก คุณโอตเร่งเครื่องขึ้นไปจนถึงทางโคง้งขับเฉียดผู้หญิงคนนั้นไปเกือบจะชนคุณตวงตกใจร้องตะโกนออกไปแล้วหันกลับไปดูปรากฏว่าไม่มีใครยืนอยู่ตรงนั้นแล้วล่ะค่ะคุณโอตก็ถามด้วยคําสงสัยว่าเอ้ยเป็นอะไรแต่คุณตวงบอกว่าอ ม, มีอะไรหรอกพอารู้ว่าคุณโอตเป็นคนกลัวผีคุณโอตก็เลยขับรถขึ้นไปจนถึงบนดอยแล้วก็ได้พักอยู่บนดอยหนึ่งคืนคุณตวงยังคิดถึงผู้หญิงที่เจอบนทางโค้งว่าเป็นคนหรือไม่กันแน่หรือเป็นอะไร จนรุ่งเช้าของอีกวันค่ะก็ได้ขับรถลงจากดอยไปถึงจังหวัดเชียงใหม่ก็เกือบค่ำแล้วนะคะแต่ก็หาที่พักไม่ได้เหมือนกันก็เลยคิดว่าเออจะลองไปหาดูแถวแถวมเภอเชียงดาวจนไปถึงรีสอร์ทแห่งหนึ่งลักษณะรีสอร์ทเป็นเสาไม้หลัก4ี่เสาตั้งยกพื้นสูงหลังจากเช็คอินเรียบร้อยก็ได้ขึ้นไปพักบนห้องนะคะ คืนนั้นคุณตวงได้ฝันว่ามีคนคนนึงยืนอยู่ข้างเตียงค่ะแล้วยื่นลูกอะไรสักอย่างหนึ่งสีดำๆมาให้แต่ว่าคุณตวงได้ปฏิเสธแล้วก็มีเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดว่ามึงทําอะไรมันไม่ได้หรอกมันมีของของมันแรงแล้วคุณตวงก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหันไปดูคุณโอ๊ตก็เห็นคุณโอ๊ตตกใจตื่นขึ้นมามองหน้าเหมือนกันคุณตวงก็เลยบอกคุณโอ๊ตว่ารู้สึกฝันไม่ค่อยดีนะแล้วเล่าความฝันให้คุณโอ๊ตฟังคุณโอ๊ตก็บอกว่าเออฝันเหมือนกันเลย คุณตวงรู้สึกใจคอไม่ดีค่ะจนไม่กล้านอนต่อก็เลยนั่งคุยกับคุณโอ๊ตจนถึงเช้าพอรุ่งเช้าค่ะคุณตวงกับคุณโอ๊ตก็เลยเดินขึ้นดอยสุเทพแล้วเดินกลับลงมาขากลับจากขากลับกรุงเทพเนี่ยคุณตวงก็แวะเที่ยวเรื่อยๆเรื่อยๆจนมาถึงจังหวัดกำแพงเพชรค่ะเวลาประมาณทุ่มหนึ่งตอนนั้นคุณโอ๊ตเป็นคนขับส่วนคุณตวงเนี่ยนั่งก้มหน้าเล่นมือถืออยู่ แต่ก็เหลือบไปเห็นมือขาวๆแปะลงมาที่กระจกข้างอ่าข้างคุณตวงนะคะคุณตวงตกใจรีบหันไปมองทันทีปรากฏว่าเห็นใบหน้าหนึ่งแนบเข้ามากับกระจกลักษณะเป็นผู้หญิงหน้าขาวซีดคล้ำใบหน้าเละไปซีกหนึ่งแล้วก็ไม่มีลู ก, กตาเห็นเป็นแค่โพรงดําๆค่ะคุณตวงสะดุ้งเฮือกแล้วรีบหันหน้าหนีไปทางคุณโอด๊ดแล้วบอกโอด๊ดหาโรงแรมพักเถอะกูไม่ไหวแล้ว คุณโอ๊ตก็เหมือนที่จารู้สถนานการณ์นะคะก็เล ย, ยรีบเหยียบรถนะคะหาโรงแรมแต่ว่าคุณตวงก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยพยายามจะดันหน้าเข้ามาเรื่อยๆเหมือนอยากจะเข้ามาในรถให้ได้นะคะคุณตวงรู้สึกกลัวจนเกรงไปทั้งตัวะคะ่ะไม่เคยเจอผีจะจะแบบนี้มาก่อนในชีวิตก็พยายามไม่มองไปทางกระจกด้านซ้ายแต่ว่าหางตามันชอบเหลือบกลับไปมองผู้หญิงคนนั้นยังคงเอาใบหน้านแนบชิดติดกับกระจก ถึงแม้ว่าจะไม่มีลูกกระตาแต่คุณตวงก็รู้สึกได้ว่าเขากําลังจ้องมองอยู่เหงือการไหลซึมมาทั่วตัวทั้งๆที่ภายในรถได้เปิดแอร์เย็นเฉียบคุณโอ๊ตมองเห็นโรงแรมอยู่ข้างหน้าก็เลยหักรถเลี้ยวเข้าไปทันทีค่ะจากนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเรื่องนี้ยังคงคาใจคุณตวงอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าเพราะคําพูดของตอนเองหรือเพราะอะไรกันแน่และที่ผู้หญิงนั้นเข้ามาในรถไม่ได้เป็นเพราะในรถมีแม่ย่านางหรือเปล่าและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดค่ะ โดยส่วนตัวของบีเองบีคิดว่าคุณตวงน่าจะลืมทําบุญให้เขาหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่จะไปพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งในคืนแรกเนี่ยหาโรงแรมไม่เจอใช่ไหมแล้วพูดออกไปบอกว่าสัมภเวสีหรือผีอะไรก็แล้วแต่หาโรงแรมได้เดี๋ยวจะไปขึ้นดอยสุเทพแล้วก็ทําบุญให้ก็ขึ้นดอยเฉยๆแต่ว่าไม่ได้ทําบุญ อ, อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันขอบคุณคุณตวงด้วยนะคะจากเรื่องเล่าที่เราได้เล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องของคุณยายคนนี้นะคะซึ่งถูกส่งมาจากคุณพัชชนกค่ะเล่าเรื่องของป้านะคะที่เกิดขึ้นชื่อว่าป้าแหววค่ะป้าแหววแกทางานอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดลบบุรีเป็นผู้ช่วยพยาบาลแล้วก็มีคนไข้อยู่เตียงหนึ่งเป็นคุณยายแก่ๆแกป่วยด้ยวยโรคชาราแกไม่มีลูกมีหลานมาดูแลนะไม่มีญาติคนไหนเลย ป้าแหววก็มาดูแลคุณยายคนนี้ตลอดทั้งเช็ด ต, ตัวป้อนข้าวป้อนยาคือพูดง่ายๆเหรว่าดูแลอ ย, อย่างดีเลยทีเดียวละค่ะคุณยายก็ยังเคยบอกกับป้าอีกว่ า, วาเดี๋ยวยายจะยกที่ดินยกเงินทองให้เองทั้งหมดเลยนะเองเนี่ยดูแลยายได้ดีมากๆลูกหลานไม่มีใครมาดูแลนะทีนี้เนี่ยป้าแหววก็เลยตอบไปบอกว่าโอ๊ยหนูไม่เอาหรอกยายหนูดูแลยายตามหน้าที่ ไม่เป็นไรหรอกจ้าไม่ต้องยกอะไรให้หนูดอกยายเก็บไว้นะยายก็ยิ้มไม่พูดอะไรต่อทีนี้เนี่ยวันหนึ่งอาการของยายก็สุดหนักลงเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งเสียชีวิตส่วนป้าแหววช่วงนั้นไม่รู้ว่ายายเสียเพราะว่าไปดูแลคนไข้ที่ตึกอื่นอยู่หลายสัปดาห์ทีนี้จนป้าแหววแกกลับบ้านนะคะเลิกงานกลับมาด้วยความเหนื่อยล้า เป้าแหววก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยถึงตรงนี้เนี่ยปู่เป็นคนเล่าต่อให้ฟังบอกย่าเห็นเป้าแหววแปลกๆไปนั่งอยู่ใต้ต้นไผ่คนเดียวไม่พูดไม่จากับใครปู่กลับมาจากทํางานปู่ก็เดินไปดูเป้าแหววเรียกป้าก็เอาแต่หลบหน้าไม่พูดด้วยปู่ก็เลยถามว่านี่ใครเนี่ยใช่แหววลูกพ่อไหมแต่ป้าก็ไม่ตอบปู่ก็เลยถามถามเท่าไหร่ก็ไม่พูดจนปู่หมดความอดทนโวยวายขึ้นมาบอกมึงเป็นใครมาจากไหนออกไปเลยนะออกไปจากตัวลูกกูซะ ปู่เป็นคนมีของอยู่บ้างก็เลยรู้ว่ามีใครอยู่ในร่างของป้าแหววแน่จากนั้นนะคะเรื่องราวมันก็ยังไม่ได้จบอยู่แค่นี้ค่ะเพราะว่าทุกคนในบ้านนี้เนี่ยก็ต้องใช้ชีวิตอยู่กับป้าแหววที่มีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาสิงสุในร่างนะคะปู่ก็ทั้งพาไปหาพระอาจารย์จเจ้าอาวาสวัดดังๆพระที่ว่าน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์แต่ก็ไม่ได้ทําให้ป้าแหววกลับมาเป็นปกติ เอาแต่ผูกสายสินให้นานวันป้าแหววก็ร่างกายซุดซมลงไปเรื่อยๆเพราะว่ากลางคืนก็ไม่ยอมหลับยอมนอนค่ะป้าแหววนอนกับอาแกก็นอนมองหน้าอาทั้งคืนกังวันก็เก็บตัวอยู่แต่ในห้องเข้าวปลาก็ไม่กินแต่ว่าบางทีก็ลุกมาขอหมากกินนะคะบอกอยากกินหมากก็เป็นแบบนี้อยู่3วันปู่ทนไม่ไหวขนาดในบ้านมีพระพุทธรูปยังทําอะไรไม่ได้เลยปู่เลยให้พ่อกับลุงเนี่ยชวนป้าแหววขึ้นรถบอกว่าจะพาไปเที่ยว แต่ว่าพาไปหาอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งเป็นหมอผีอยู่แถวบ้านบ้านเป็ น, เ ป, นเป็นเพื่อนปู่นะคะเขาก็ลือกันว่าเออคนนี้เนี่ยของจริงเอาอยู่แน่นอนปู่ก็เลยพาป้าแหววไปพอไปถึงที่ค่ะอาจารย์ท่านนี้แกยังไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่าเป้าแหววเนี่ยจะหนีอย่างเดียวคราวนี้ปู่ก็ให้เพื่อนปู่นี่แหละนะคะแล้วก็ให้พ่อของลุงอ่าพ่อกับลุงเนี่ยจับตัวเป้าแหววป้าแหวแหวไว้แน่นแล้วก็จะพาป้าขึ้นไปหา แต่ว่าอาจารย์ท่านนี้ตะโกนลงมาก่อนว่าไม่ต้องขึ้นมากลับบ้านไปเลยเดี๋ยวจะตามไปมาที่เนี่ยเขาไม่ยอมไปไง่ายๆหรอกปู่ก็เลยขับรถพาป้าแววกลับบ้านไปนะคะแล้วหมอผีคนนั้นก็ตามมาค่ะที่นี้พอมาถึงบ้านก็ให้ลูกศิษย์จัดแจงทําถันห้าทำกระทงใส่อาหารจุดธูป1ดอกแล้วก็เริ่มสวดอะไรไม่รู้อยู่หน้ากระทงอาหารที่วางไว้กลางบ้านถึงตอนนี้ป้าแววแกก็สลบไปเลยไม่รู้เรื่องนะคะแล้วหมอผีท่านนี้ก็นั่งคุยกับกระทงอาหารที่วางอยู่ ปู่และทุกคนในบ้านได้ยินท่านพูดท่านถามว่ามาจากไหนหรอตามเข้ามาทำไมพ่อแม่เขาเป็นทุกข์อย่าทำแบบนี้ไปเกิดดูสภาพเขาสิเนี่ยจะรับไหวแล้วจะรับไม่ไหวแล้วอย่าสร้างบาปเลยไปเกิดซะเถอะนะเขาไปกับยายไม่ได้หรอกแล้วหมอผีคนนั้นก็ลุกไปจับแขนเป้าแหววที่หลับไม่รู้สติขึ้นมานั่งสวดอะไรเงมงืม ง, ม ง, มงมสักพักหนึ่งท่านก็ดีดนิ้วขึ้นมาเปาะหนึ่งนะคะ เชื่อไหมคะว่าสายสินตรงข้อมือเป้าแหววขาดกระจุยเลยเส้นที่พาเกจิดังๆผูกให้ยังขาดทุกคนในบ้านดูตกใจกันพักใหญ่ค่ะแล้วหมอผีท่านนี้ก็ให้เอากระทงข้าวแล้วก็ขันห่าไปวางไว้ทาง3แพร่งพร้อมกับหันมาทางปู่บอกว่าเข้าไปแล้วนะเขาบอกว่าเขาตามมาจากโรงพยาบาลอีหนูคนนี้มันดูแลเขาดีเขารักมันเขาก็เลยจะเอามันไปอยู่ด้วยแล้วก็จะพาอีหนูเนี่ยไปอยู่กับเขาโชคร็ได้ตรงที่อีหนูเนี่ยช่วงนี้พื้นดวงมันตกเขาก็เลยเอาเข้าง่ายๆ แล้วก็หาข้าวหาปลาให้มันกินซะเดี๋ยวจะแย่ไปกว่านี้หลังจากวันนั้นนะคะเรื่องทุกอย่างก็เป็นปกติป้าแหววหลับไปสองวันเต็มค่ะตื่นขึ้นมากินข้าวกินอะไรได้เหมือนเดิมแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองแต่ว่าป้าแหววเล่าให้ฟังว่าช่วงที่หลับไปเนี่ยแกฝันว่าอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ในห้องที่ยายคนนั้นพักอยู่ยายก็ชวนป้าคุยหาอะไรให้กินพาไปเที่ยวแล้วอยู่ๆยายก็ร้องไห้แล้วก็หายไปป้าก็เลยตื่นขึ้นมา จบแล้วนะคะจริงๆรายละเอียดเรื่องนี้มันมีมากกว่านี้แต่ว่าทางด้านของเจ้าของเรื่องเนี่ยขออนุญาตเล่าให้ฟังแค่ส่วนสำคัญก็พอนะคะอลักค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้และขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะผิดพลาดประการใดกระับขออภัยด้วยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพระเจอผีของเราด้วยค่ะ